บรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเห็นที่เจ็ดเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคก่อนแห่งการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแต่ถ้าว่าคงยังไม่ถึงบุพกรรมเป็นฝ่ายของกรรมชั่ว นั่นก็คือนรกจะนำเรื่องราวของนรกที่เมื่อวานนี้ได้นำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงตรัสทรงยืนยันว่านรกมีจริงมากล่าวไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็จะนำกระแสวสดธรรมทีศาสนาขององค์สมเด็จพระบาทีแก้วที่ทรงรับรองเรื่องนรก มากล่าวให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังสำหรับบาลีขนรกนี้มาในเทวทูตสูตรอุปริปันกนกาณิายมัชิมะนิกข้อห้าร้อยยี่สิบเอ็ดหน้าสามร้อยสี่สิบแห่งพระไตรวิดกสยามรัฐ ที่เอามากล่าวให้ฟังก็เพราะว่าท่า น, นหลายจะได้ค้นคว้ากันได้หรือว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดร์สันดาสมาสัพพุติเจา้ากล่าวไว้ในเรื่องของนรกมีอะไรกันบ้างท่านนี้ก็พื่อว่าเป็นการยกเรื่องเขายกต้ัวาตมา ที่จะคิดว่ามีความรู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นผู้วิเศษถ้าความจริงถ้าวิเศษตอนนี้ก็ไม่ขอจะวิเศษแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงไปพูดว่ารู้จริงก็เป็นการอดอุตริมนุยธรรมเมื่ออวดเชื้อบ้านไอการอดนั่นมันก็ไม่ทำให้ตัวหนุมขึ้น แล้วก็ไม่ทาให้ร่างกายดีขึ้นมันก็มีแต่ความทุดโทมไปทุกวันหาประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะนั้นว่าเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสดาทรงรับรองและเรื่องที่จะมาพูดสู่กันฟังก็นำมาจากพระไตรปิฎกขอนำเรื่องของนรกมาพูดเลยทีเดียวความจริงนรกนี้มีมากขมได้กัน นับเป็นจำนวนร้อยขุมไม่ใช่แปขุมโดยเฉพาะเรื่อการที่นำเรื่องราวของนรกมาพูดให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายที่กำลังฝึกมโนโมยิทธิเพื่อว่าจะไปแดนของนรกบ้างจะได้รู้ทางไว้เป็นทองพลางก่อน ได้ว่าการไปแดนของนรกนี้แต่ละคนอาจจะไปแต่ละทางอาจจะมีการผ่านไม่พบกันก็อย่าไปเที่ยงเทียงกันถ้าบังเอิญมีสภาวะการผ่านไปมีสภาพไม่เหมือนกันก็ลองสอบสอบซ้องกันซิใหม่ว่าทางนั้นที่คนอื่นเขาไปนั้นมีจริงหรือไม่จะได้ไม่สงสัยและไม่คัดค้านกัน ไห้บ ร, กริการแห่งการไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวสวรรค์ขึ้นอยู่กับสมาธิของจิตถ้าสมาธิจิตของใครดีก็เห็นแจ่มใสกว่ากันถ้าสมาธิสมาธิเร็วกว่าเขาก็เห็นได้ไม่เหมือนเขาฉะนั้นในเมื่อการฝึกสมาธิการทายหาก็าไปเห็นแตกต่างกันสีสันวันณนะไม่เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกใครผิด ขอ้ทุกคนจงคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องชำระจิตใหแจ่มใสไว้เสมออารมณ์สมาธิที่ทรงตัวจริงๆนั่นก็คืออารมณ์ของพระอระหันต์แต่ว่าท่านที่ทรงชาญโลกีก็สามารถจะเห็นได้แต่ความแจ่มใสไม่เหมือนพระอระหันต์พรโปรดจำไว้ท่านี้ก็แล้วกัน ต่อตอนี้ไปก็จะขอนำอานรกใหญ่แปลขุมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่ได้รับทราบเขไว้สำหรับนรกใหญ่นั้นมีอยู่แปลขุมด้วยกันคือว่าเป็นนรกแม่นรกขุมใหญ่จริงๆนี่รู้สึกหนักใจ ท่านไม่ค่อยจะกล่าวไว้ว่ามีโทษอะไรแต่แต่ว่าในตอนท้ายอาจจะยกตัวอย่างบางเรื่องและบางท่านมาเล่าสู่กันบางบ้างพอเป็นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติไปหานรกเป็นกล่าวไว้อย่างนี้ว่านรกนิรยภูมิหรือว่าโลกนรกเป็นประเภทใหญ่ที่สุด ที่เรียกรู้ว่ามาหานรกมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมด้วยกันตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นๆไปห่างกันชั้นละประมาณหนึ่งพันห้าร้อยโย์แต่วความจริงหนึ่งพันห้าร้อยโยต์นี่ทวตระยะนรกในเขตของนรกมันก็ไม่ห่าง แล้ก็นรกทั้งทุกทุกขุมเพื่อว่าเป็นการป้องกันความสงสัยมีคนเคยมาถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกแบบนี้แล้วศาสนาเขามีนรกอื่นไหมก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่มีนรกศาสนาอย่างอื่นใดก็ไม่มีนรกนรกไม่ใช่ของพระศาสนา นรกเป็นดินแดนที่ลงโทษคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดจะต้องรับโทษทันเหมือนกันถา้าทำกรรมอย่างนั้นก็เรื่องนี้มีคนชอบถามถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกอย่างนี้แล้วก็ศาสนาอื่นเขามีไหมก็ต้องขอตอบว่านรกมีไว้สำหรับคนเลวจะอยู่ในศาสนาไหนก็เหมือนกัน ทางทุกๆศาสนาไม่ได้สอนให้คนลงนรกจะนั์นนรกของพุทธศาสนาจริงไม่มีแล้วก็เข้าใจว่ า, าศาสนาทุกๆศาสนาก็ไม่มีนรกเหมือนกันแต่สําหรับนรกนั้นเป็นเรื่องของคนชั่ววันนี้ก็อยา อ, อนํานรกไปขุมแต่คงไม่จบไปขุมเมื่อเล่าสู่ให้กันฟังโดยยอ่อขุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัญชีพนรก สัญชีพระนรกนี้เป็นนรกแรกคุมหนึ่งเอาในความย่อกันกรรมของสัตว์ที่มีอยู่ในนรกคุมนี้ถึงกล่าวว่าถูกนานิยาบาล น, นานิดยาบาล น, นี้ไม่ใช่พยายามนิยะแปลว่านรกบานมาจากคำบาลาละของภาษาวลี แปลว่าเจ้าหน้าที่นรก <c oughs> แต่แปลาตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รักษานรกคือรักษาโทษที่สัตย์เจพึงได้พึงรับเป็นอนุวานานิายมบันคือเจ้าพนักงานเมืองนรกจกบับบรรดาสัตว์ตั้งหลายนรกนั้นมัดม่ให้มั่นให้แน่นแล้วก็บังคับให้ น, นอนลงเหลือแผ่นเหล็ก ที่สุกจนแดงโชนด้วยอำนาจของไฟนรก <c oughs> เหล็กเขาได้โปรดทราบว่าไฟนรกนี้ร้อนมากกว่าไฟในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่าที่เราคิดว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งของมนรกร้อนนั้นมันยังร้อนกว่านับเป็นล้านเท่านั่นพื้นเหล็กทั้งหมดจะลุกแดงโชนเป็นเปลวเพลิง เป็นเปลยขึ้นมาเพื่อมันร้อนใจแค่แค่เหล็กจะลุกเป็นแดงแดงโชนเมื่อจับสัตว์นรกไปวางไว้บนผนแทนเหล็กให้เป็นเหล็กนี่เป็นพื้นของนรกเราร้อนด้วยไฟนรกให้ได้รับความแสบความปวดร้อนหมายมันก็ไม่ต้องพัฒ น, นาแล้วนะ ถ้าร้อนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพัฒนาว่าร้อนขนาดไหนพัฒนาไปก็ไม่ถูกถ้าทานที่ดีถ้าอยากจะรู้แน่ก็ลงนอนเล่นในกองไฟซึ่งมีความร้อนไม่เท่าหนึ่งในร้านของไฟนระกดูกันแล้วกันแล้วนายที่นี่ บ, บานจึงนด้เอาดาบบ้างว่าดาบที่มีคมกลาดคือคำว่าคมก้านภาษาบาลีที่มีความคมจัด วาดฟันลงไปในร่างกายของเขามดร่างกายของสัานนรกก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บางทีก็มีดเอาขวานมาค่อยๆถากค่อยๆเฉื อ, อ, อนอันนี้มันทรมานจริงๆนะไอตัวค่อยๆนี่ว่าจะชุบชับชุบชับเลยทีเดียวดีกว่า เหมือนกับคนนี้ก็ฉีดยาค่อยๆแทงมันแสนจะปวดถ้าพุ่งปลุดมันเดียวผ่านผิวหนังมันก็ปวดน้อยหน่อยหรือไม่ปวดเลย <c oughs> นี่ถ้าค่อยๆถากเล่นมันก็ถากไม้ค่อยๆเฉือนถ้าเฉือนเนื้อทั้งเนื้อดตัวทั้งร่างกายเข้าสนนรกแม้เวลาเชือดเวลาเฉือนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ลองเล็กดู สัตว์นรกที่กำลังนอนกลิ้งดิ้นรนอยู่กับพื้นเหล็กแดงโชนเฉีอนทีละน้อยละน้อยละน้อยจนทั้งเนื้อหนังหมดไปทั้งตัวไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพียงซี่โครงกระดูกขาวโคลนแต่ว่าบรรดาสัตว์นรกนรกทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทุกขทรมานอย่างนี้ก็จริงแลแต่ด้ว่าเขาไม่ตาย จะส่งเสียงร้องโคลนคลาบรา ก, การใดก็ตามทีท่านนายในเรบานนี้ท่านก็ไม่ยอมหยุดท่านพยายามทำด้านตามหน้าที่ของท่านทุกอย่างถ้าจะถามว่าสัตว์นรกมีตายไหมก็ขอตอบว่าในเมืองนรกเป็นแดนทรมาน จากนั้นในแดนทรมานนิศสัตว์จะต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาคำว่าตายไม่มีในเมื่อเขาตายไม่มีโทษท่านนี้เพิ่งมีอย่างนี้มันก็มีตลอดกาลตลอดสมัยเป็นนั้นว่าเขาจะต้องทรมานกายทรมานร่างกายเพราะถูกไฟเผาบ้างสูดนายนิสวรรค์สับฟันบ้างเชื่อเฉือนบ้าง หากบ้างอย่างนี้แล้วก็อยู่ในแดงของไฟทั้งหมดบางทีท่านหลายผู้รับฟัง่าสงสัยท่านถามว่านายนิจิบาลแกร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่ร้อนพวกนี้มีถ้าไม่ร้อนแล้วก็ไม่เหนื่อยถ้าจะถามว่าคุมนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องขอตอบว่าในพระบาลียังไม่มีในตอนนี้ ในตอนอื่นท่านจะมีไว้ไว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของท่านถ้าพบก็จะบอกให้ฟังถ้าไม่พบก็ จ, จำไว้ว่านารกคุมแรกที่เรียกว่าสันชีพนรกมีโทษอย่างนี้จำไว้ด้วยตึงนขุมที่หนึ่งท่านกล่าวต้องกดเกณฑ์ของัตว์นรกที่อยู่ในสันชีพนรกนี้ว่านีประมาณ มีอายุอยู่ในนรกนี้ประมาณห้าร้อยปีนรกไม่ใช่ห้าร้อยปีมนุษย์เป็นห้าร้อยปีนรกเพื่อนเปรียบเทียบเวลาของเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ไปอย่างนี้แห่งกล่าวว่าเก้าล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของนรกที่ว่าสันชีพนรก แล้วก็มีเวลาเดือนหนึ่งสามสิบวันสิบสองเดือนเ ป, ป็นหนึ่งปีแล้วก็เมื่อไรจะครบห้าร้อยปีขงเขาวก็ไม่สราบนี่วันหนึ่งนี่ปลาเข้าไปเก้าล้านปีคนมนุษย์ทนแล้วเว้นันว่าท่านนันไลรับฟังไว้ก็แล้วกันว่าสำหรับนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งที่ชื่อว่าสันชีพนรกได้รับทุกข์ทรมานแบบนี้ มีอายุเท่านี้จําไม่ด้ว่าอายุในนรกห้าร้อยปีนรกแต่เดา ว, ว่าวันเขาในรกเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันลองคูณเข้าไปสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีรวมความว่าของเขาเท่าไรแล้วของเราเท่าไหรจริงได้หนึ่งปีของเขาแล้วก็ห้าร้อยมาคูณเข้าอีกทีหนึ่ง เทียบกับอายุเครื่องเมืองมนุษย์อันนี้ผมไม่ขอไม่ขอคำนวณเทียบจะไม่ไหวเคยทำแล้วอ่านไม่ออกนี่สำหรับมนรกคงที่สองที่ว่ากาสรสสตะมาหานรกในี่ใหญ่โตมากมาหานี่แปลว่าใหญ่กาละสดะมาน่าคิดน่าคิด นรกดำดเส้นได้ดำดำตามบัมบาลีเร่กล่าวว่าเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนรกนั้นก็ต้องถูกลงโทษโดยนายนรีบาลเอาได้ดำ ม, มาตีเป็นเส้นเข้ากับตามร่างกายได้ดำไม่ควงคิดนะว่าได้หลอดเป็นได้เหล็กได้เหล็กสีดำที่มีความคม มาตีเข้าตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นนี่สนุกตีเหมือนกันนี่นะได้ดำนันตีพับเข้าตรงไหนเป็นแผลลึกตรงนั้นแล้วแส้ที่จะร้อนไฟก็เม่าจะตลอดไม่ตลอดเวลาได้ก็คมมีความร้อนด้วยต่อจากนั้นไปก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันบางทีก็ฝานมาผ่าหรือว่าเอามีด นรกเมืเ่อเฉิยงกรีดไปตามร่างกายตามเส้นได้ดำที่ตีไว้ตีไว้ตรงไหนก็เลื้อยตรงนั้นตีเส้นไว้ตรงไหนก็มีทากมีทางกรีดไปตามนั้นสนุกดีเป็นนั้นว่าไม่มีผิดรอยได้จะ ต, ตีเล่นตามรอยคล้ายๆกับว่าสัตว์ในนรกนั้นเป็นแพ่ยงกระดาน อันยงกล่าวว่าฉชนนั้นนรกนี้จะมีชื่อว่ากาฬสุตตะนรกเป็นนรกที่ลงโทษ ด, ด้วยเส้นด้ายดำอันกล่าวต่อว่าไม่จะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในกาฬสุตตะนรกนี้ถูกนายณิบัณฑ์จับแผ่นนอนเนื้อแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงบริฟไฟของนรกแล้วเอาด้เส้นดํา อย่าลืมนะ้ะมันได้เนยมันเป็นได้เหล็กได้เหล็กไม่ใช่ได้ไหมซึ่งทํานื้อเหล็กนรกขนาดใหญ่โตเท่าลําตาลมาตีบนร่างกายของสัตว์รกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนเป็นให้เป็นริ้วเป็นรอยตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยตามรอยเส้นตีนั้น รื่อยๆนรกที่มีไฟรุกแดงโชนแหมว่มาร้อนได้เกินค่อยๆเรื่อยไปจนร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่สัตว์นรกนั้นทนได้หรือไม่ได้ก็ตามใจแต่ก็แต่ก็ตายไม่ได้ต่านก็ดิ้นรนกวนกวยบางทีก็ถึงกับทะลึงลุกขึ้นดิน้นชัดวราดความจริงแหมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะ มันแย่อย่างนี้จะไปนอนนิ่งอยู่ได้ยังไงแสดงกริยาสุดหัดทํำท่าจะสลัดให้หลุดแต่ไม่มีทางนนิ ย, นยาบาลแกก็บังคับนิยาบาลนะแกก็บังคับจับมัดให้นั่งขรุอีกแล้วก็เลื่อยตัดจำร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปพวกเขาได้รับทุกโทษอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไข ข, ของนรก มานั่งดูนรกขุมนี้สัญชีพระนรกมีอายุห้าร้อยปีแต่ว่ากาลสุตทานรกนี้มีอายุม0พันปีคูณได้สองมาเทียบกันกับเวลาในมนุษย์สรกท่านบอกว่าวันหนึ่งเขานรกในกาลสุตทานรกนี้ ต้องใช้เวลาในเมืองมนุษย์ถึงสามสิบหกล้านปีโอ้โหต้องคิดแล้วอย่าไปเลยคนะรับถ้าไปเที่ยวก็นิมนต์ไปถ้าไปอยู่นะ่าจะไปเลยครับถ้าไปหนึ่งนาทีก็อ่านแต่บอกว่าสามสิบหกล้านปีจริงๆครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกนั้นก็คูณกันก็แล้วกัน วันหนึ่งได้กับสามถึหกล้านปีเป็นหนึ่งวันสามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนย2ิบสองเดือนของเขาเป็นหนึ่งปีแล้วก็คูณได้หนึ่งพันเท่ากับกี่ปีในเมืออมนุษย์ก็ว่ากันไปต่อไปก็จะพูดถึงนรกขุมที่สามสำหรับนรกขุมที่สามนี้ชื่อว่าสังคาตะมหานรก เรื่กล่าวไว้ตามบาลีอย่างนี้เมื่อเราสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรก ข, ขุมนี้ได้รับทุกข์กับโทษกับทรมานโดยถูกภูเขาเหล็กมมดคยีย้ร่างกายให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเว้นไอ้ข่าวว่างในเมืองนรกนรกนัมันไม่มีไม่ต้องไปหาเวลาว่าง ฉะนั้นนรกคุมนี้จึงชื่อว่าสังคาตะนะรกแปลว่านรกที่บุชยี่ร่างกายสัตว์ไม่ไหวเอาใครอยากจะสมัครใจไปนรกมันก็ตามใจนะเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สัตว์ในสังคาตะนะรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกัน เธอต้องบอกว่ามีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควายแล้วกันมีตัวเป็นคนบางคนก็มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายนี่พวกฆ่าควายสิบางคนก็มีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวเป็นคน ดังนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าหัวเป็นสัตว์ที่ฉานแต่ละอย่างวันเดเยพอ่ออย่างยิ่งที่เราชอบฆ่าสัตว์อะไรหัวมันก็เป็นสัตว์แบบนั้นยานี้ก็แล้วกันทังกล่าวว่ามีความมิตรผลิแทนร่างกายที่คนที่การที่สุดแม่ท่านบอกว่ายากที่จะพัฒนาให้มันครบถ้วนได้ นายเรียบวานผู้มีดวงตาอันทมึงถึงน่ากลัวมันิตาคงจ้องปิ่งตาแดงกรมเหมือนกับไฟจะลุกมาจะกระบอกตามีมือถือสตราวุธเที่ยวเดินไปแล้วก็เดินมาแล้วก็ยกมือชี้หน้ายกกระวกชี้หน้าร้องคำรามว่าหอเสียงดังมันฟ้าผ่ามันร้องคำรามเหมือนกับเสียงฟ้าผ่า กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเขาว่าอย่างนั้นแม้จะทำะเสียงให้เหมือนแกมันก็ไม่เหมือนซะด้วยเป็นนั่นาใ น, นารกทั้งหลายสัตว์นโลกทั้งหลายได้ยินดังนั้นเวลาใกล้เขมาเสแล้วจะหมดเสแล้ววันนี้ในสามขุมก็บังเกิดความหวาดวันจับข้หัวใจวิง่งหนีไปโดยเร็วไม่คิดชีวิตขณะนั้นเดิมหน่ายกรรำบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขวางหน้าเข้าไว้ สัตว์นรกก็ไม่รู้จะไปไหนได้ก็ได้แต่พอหันหลังจะกลับมาหนีคนไปเจอไฟหนีไฟหันหลังกลับมาก็เกิดกองไฟดักหน้าใครกองหนึ่งไม่ต้องไปกันแล้วหากินกับไฟไม่ว่าจะหันหน้าเวทนงไหนก็ปรากฏว่ามีกองไฟเกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเขาสัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหาัส อันหนึ่งท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่าไฟนรกท่านหลายจะเหมือนกับไฟในโลกมนุษย์เพราะว่าความจริงไม่ใช่เมื่อไฟนรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มากมายมรกหลายล้านเท่าแม้จะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่อย่างนี้บรรดาสัตว์นกทัานหลายเหล่านั้นก็ตายไม่เป็น คำว่าตายไม่มีตายเมื่อไรมันก็หมดการทรมานกันเขาต้องการไปทรมานโดยไม่ต้องตายกันร้อนกันอยู่แบบนั้นท่านกล่าวว่าเพระปรากฏว่าต่อมาไม่ชา้าก็มีภกเขาเหล็กนรกสองโลกนี่เจอไฟเขาแล้วไม่พอนายนินิวานไล่ไล่หนีไปเจอไฟหลบไปหลบมาหลบมาหลบไฟไฟเผาพวกเขาเหล็กสองโลกมีไฟลุกแดงชนกลิง้งเข้ามาทับ บีบขยี้ร่างของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้แหลกลานไปเหมือนจะหีบอ้อยจะบีบแ บ, บแบบไหนก็ตามแหลกเหลวอะไรก็ตามนรกไม่สัตว์นรกไม่ตายถ้าตายเสียก็สบายนี่แกไม่ตายก็ต้องทนทุกเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขสําหรับอายุของสัตว์นรกในสังฆาตนรกนี้ ท่านกล่าวว่ามีประมาณสองพั น, น, น, บบนปีนรกเทียบกับมนุษย์ท่านบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านปีเขามนุษย์ยังได้วันหนึ่งเขางนรกคขุมนี้สบายแน่นอนสัตว์ในกรกคขุมนี้จะต้องทนทุกข์ทมาทรมาณถึงอยู่สองพันปีนรกลองคูณกันดูกันแล้วกันในครับว่ามันเท่าไหร่ นี่เป็นอนุวารกรรมอะไรไม่ต้องถามกันเพราะเวลานี้ยังไม่ได้พูดถึงกรรมแต่ว่าดูเหมอว่าผมว่านรกปลขุมนี่เป็นนรกแปลายเจยดูมานานแล้วนี่ไม่รู้ว่าขยันลงทุษอะไรไปเข้าใจอยู่นิดหนึ่งได้ข่าวนิดหนึ่งในด้านอเวจีมหานรกว่าเปรอนันตเรกกรรมโล้หรือว่าเป็นอาจินตกรรมจัดว่ากรรมที่ทําจนชิน เป็นนั้นว่าวันนี้ก็คุยกันได้แพงเพียงแค่สามขุมสำหรับบรรดาพระภิกษุสมณีทั้งหลายเม <c oughs> ื่อฟังเรื่องราวของนร ก, กแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องนิทานเล่าเล่นกันสู่กันฟัง <c oughs> ต่้ น, นี้ก็ราะว่าวิชาความรู้ของเรามีเท่าที่ฝึกให้นั่นก็คือมโนโมยิติ ที่ท่านทังหลายกำลังฝึกกันแล้วบุคคลทั้งหลายแล้หลายท่านที่ทำได้แล้วเพียงเราฝึกเแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถทำได้หลายคนจนนั่นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาภิสุทธสมณีทั้งหลาย <c oughs> เมื่อรับฟังแล้วจะมายามฝึกฝนกำลังใจของท่านให้สรงสมาธิตามที่ต้องการ พอมีกําลังสามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพุทธโลกไปรนรกได้แล้วก็ไปสอบสวนพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไใจว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นมันมีจริงหรือไม่เอาละท่านทั้งหลายสําหรับเวลานี้มองดูเวลาก่อนเวลาจเจริญพระกรรมฐานก็หมดแล้วสําหรับเรื่องราวของนรกในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนังหลายผู้รับฟังและเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยทั่วกันสําหรับต่อนี้ไปขบรรดาท่านนังหลายโปรดเตรียมตรวจตัวเตรียมใจตั้งใจสมาทา น, านและกามฐานแล้วก็เวลาที่ตั้งใจสมาทานและกามฐานนี่เตรียมใจไว้ให้ดีนะ แสดงความเคารพพระธรรตรัยอย่างจริงจังหลังจากนั้นแล้วก็พยายามพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในร่างกายให้เห็นว่าเป็นของเป็นทุกข์เป็นโทษที่เราไม่ควร ย, ยึดถือเข้าไว้จงไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่ามันเป็นทุกข์ เราจะมีความสุขได้จริงๆก็คือพระนิพพานนี่ข้อคิดสำหรับบรรดาท่านหลายๆถ้าท่านหลายก็จงจำไว้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังพระนิพพานเท่านั้นต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานประกรรมฐาน